กฎการโรครอนี่ตอนนี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะเป็นเรียกว่าวิกฤตระดับโลกเลยทีเดียวซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้คนทั้งโลกเนี่ยควรจะใส่ใจแต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนะที่สนใจเรื่องนี้ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะมองว่าไม่เป็นปัญหาเลยคนกลุ่มนั้นเนี่ย ในอเมริกาเนี่ยก็ได้แก่คนที่เคร่งศาสนานะเคร่งศาสนานี่ก็หมายความว่าสวดมนต์ทุกวันไปโบสถ์เป็นประจำแล้วก็เชื่อว่าศาสนาเนี่ยมีความสำคัญต่อชีวิตเนี่ยบอกว่าเขาทำการสอบถามนะความเห็นของคนกลุ่มต่างๆนะในอเมริกาเนี่ย เพราะว่าเนี่ยคนที่เคร่งาศาสนาอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ค่อยสนใจนะปัญหาโลกร้อนมีเพียงแค่แปดเปอร์เซ็นตะที่รู้สึกเป็นห่วงนะรู้สึกกังวลนะกับปัญหานี้ที่เหลือนี่ไม่สนใจเลยหรือว่าไม่ใช่เป็นปัญหาอันนี้ต่างจากคนที่เขา ไม่ไดนนักถือศาสนานะหรือว่าคนที่ไม่ได้เคร่งศาสนาเท่าไหร่เนี่ยก็มีความสนใจนะเป็นห่วงเป็นใจนะเรื่องปัญหาโลกร้อนมากกว่า่างเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่นับถือศาสนาเนี่ยก้าสิบเปอเซนะบอกว่าเนี่ยเป็นห่วงมากนะเรื่องโลกร้อนเนี่ยว่ามันจะสร้างปัญหาต่างๆนะให้กับ ทั้งสัตว์ทั้งสิ่งมีชีวิตแล้วก็มนุษย์ที่จริงจะบอกว่าคนที่เคร่งศาสนาเนี่ยที่ว่าไม่สนใจปัญหาโลกร้อนี่อันนี้ก็อาจจะเป็นการพูดกว้างไปนะคนกลุ่มใหญ่เนี่ยที่ว่าเป็นคนเคร่งศาสนาเนี่ยก็คื อ, อที่เราชาวบ้านเรียกว่าคริสเตียนนะหรือพวกโปรเตสแตน พวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นว่าปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ส่วนนึงก็เพราะว่าเชื่อว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะดูแลโลกนี้ให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะในพระเจ้านี่จะส่งปกป้องโลกนี้หรือบางคนก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นภาพประสงค์ของพระเจ้าเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากหรือบางทีก็ไม่สนใจเลยนะ ผลส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชาวโปรเสตสแตนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเขาก็มีความเชื่อทางการเมืองสอดคล้องกับพรรคใหญ่พรรคหนึ่งในอเมริกาคือพ u ร l i พรรปิกันเนี่ยซึ่งพวกนี้เขาเชื่อว่าปัญหาโลกร้อเ น, นี่มันมันไม่มีหรอกหรือว่าถึงมีถึงเกิดขึ้นจริงก็เกิดจากเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ และเรื่องธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่เราทำาลยไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าอันนี้ต่างจากคนที่เขามองว่าเนี่ยปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์นะเกิดจากการที่มนุษย์เร า, เาใช้ทรัพยากร อ, าอย่างไม่รับผิดชอบหรือว่าการที่เราเผาน้ามันเผาถ่านหินเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตมันก็เลยทำให้เกิดก๊าซเรืองกระจกที่ทำให้โลกร้อน คนกลุ่มนี้เขาก็คิดว่าเนี่มันต้องแก้ไขนะด้วยการที่ออกกฎระเบียบต่างๆที่ทำให้มีการเผาน้ำมันถ่านหินน้อยลงอันนี้เป็นความเชื่อของคนที่เขาไม่ได้นับถือศาสนานะในอเมริกาแต่พวกที่นับถือศาสนาแบบเคร่งๆนี่ก็จะไม่เห็นเลยนะว่าปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ว่ามาน ะ, ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะ เวลาเราพูดถึงคนที่เคร่งาศาสนาเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงคนที่เขามีาคุณธรรมหรือว่าอนาธนร้อนใจนะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อเพื่อมนุษย์หรือว่าต่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงแต่ว่าบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะที่จริงไม่เฉพาะาศาสนาคริสต์หรือว่าโปรเตสแตนต์นนะคนที่นับถือพุทธก็เหมือนกันนะในเมืองไทยเนี่ย ก็น่าสังเกตว่าสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือว่าใส่ใจกับปัญหาโรคร้อนนี้น้อยนะเราจะพบว่าคนที่ตื่นตัวเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมการช่วยให้ลดเนี่ยมีปัญหาโรคร้อนน้อยลงเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นคนที่เคร่งศาสนาแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยสนใจศาสนาด้วยซ้ําำอันนี้ก็ไม่ต่างจากประเทศต่างๆนะ คนที่เป็นกําลังสําคัญในการรณนนรงค์เพื่อลดปัญหาโลกร้อนเพื่อทําให้คนตื่นตัวเรธรรมชาตินี่ส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นประเภทสายวัดหรือว่าหรือเป็นคนเคร่งศาสนาหลายคนก็ไม่ได้นะักคือศาสนาเลยนะแต่ว่าเป็นหูเป็นใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหานี้มากจริงเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องธรรมชาติมากนะโดยเพราะความรู้สึก รับผิดชอบต่อธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินี่เกื้อกูลเราอย่างก็มีคําสอนว่าเนี่ยผู้ใดสร้างสวนปลูกปา่าบุญของผูญญน้นั้นย่อมเจริญอยู่ทุกเมื่อเช้าวันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหรือว่าบางทีก็เตือนหนักกว่านั้นนะมีพุทธภาษีว่าผู้ใดเนี่ยนั่งหรือนอนที่ร่มเงาใต้ต้นไม้ใดแล้วหักรานกิ่งต้นไม้นั้นถ้าทําเช่นนั้นเนี่ยนะ ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะท่านตัดวันเนี่ยผู้ใดปทุสรายมิตรผู้นั้นเป็นคนเร็วสามเมื่อนั่งหรือนอนอาศัยร่มเงาของใต้ต้นไม้ใดเนี่ยไม่ควรตัดกิ่งต้นไม้นั้นเพราะอะไรเพราะผู้ปทุสรายมิตรเป็นคนเร็วสามถือว่าเนี่ยต้นไม้นี่เป็นมิตรเลยทีเดียวนะโดยเพราะต้นไม้ที่ให้ร่มเงากับเรา อันนี้ก็มีนิทานชาดกนะหลายเรื่องนะที่เตือนให้คนเห็นนะว่าให้การทําลายธรรมชาตินี้สุดท้ายนี่มันเป็นการทําร้ายตัวเองอย่างชาดกเรื่องกวางที่หลบหนีพรานนะพรานมาไล่ล่านะแต่กวางก็หลบหนีเกือบจะไม่รอดอยู่แล้วก็ไปเห็นพุ่มไม้หนาก็เลยไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้นั้น พรานก็มองไม่เห็นเดินผ่านเลยไปพอกวางนี่เห็นพรานผ่านไปไกลแล้วก็เลยสบายใจพอสบายใจแล้วก็สังเกตว่าพุ่มไม้นี้เนี่ยมีใบไม้เขียวสดน่ากินนะก็เลยแทะเลมนะใบไม้ในพุ่มไม้นั้นแทะจนเพลินเลมจนเพลินนะปรากว่าพุ่มไม้มันก็เลยบางบางตาก็พอเพินนะ พรานนี่เดินผ่านกลับมาพอดีก็เห็นเลยนะเห็นกวางนี่อยู่หลังพุ่มไม้ก็เลยยิงยิงกวางตัวนั้นตายกวางตัวนั้นเนี่ยก่อนตายก็เกิดสำนึกผิดนะในวาเนี้เป็นพ่อเราเน ร, รคุณกับพุ่มไม่นะพุ่มไมอุตสาปกป้องให้เราปลอดภยัยแต่เรากับทำร้ายพนะุ่มไม้นั้นด้วยการแทะเลมกินมันนะ สุดท้ายเราก็เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นนิทานหรือชาดกที่สอนใจเรานะว่าเนี่ยธรรมชาตินี่เอื้อเฟื้อเกลื่อนกลเรามากเพราะฉะนั้นนี่ก็ไม่ควรที่จ ะ, ะทําร้ายหรือเบียดเบียนธรรมชาติอันนี้ผู้เจ้าสอนแต่ว่าพอผ่านมาจนถึงรุ่นเรานี่เราไม่ค่อยได้ได้ยินได้ฟังนะคำสอนหรือภาษีนี้เท่าไหร่ชาวผู้เราจํานวนมากนี่ก็เลย ไม่ค่อยสนใจเรื่องของธรรมชาติหรือเห็นคุณค้าของธรรมชาติเท่าไหร่ก็ไปคิดว่าเนี่ยทบุญก็โดยการมาวัดโดยการถวายสังกะทานด้วยการใส่บาปไปให้ความสำคัญนะกับพระหรือว่าให้ความสำคัญกับอุปธรรมวัดจนลืมนะการให้ความสำคัญกับธรรมชาติซึ่งแต่ก่อนนะไม่เป็นอย่างนั้นนะชาวบ้านแต่ก่อนนี่เคารพธรรมชาติมาก หนูพ่อเขเขียนท่านเล่าว่าเนี่ยสมัยก่อนในเด็กๆเนี่ยจะไปฉี่เล่นน้ําในลําห้วยลําทารจะไปฉี่ในน้ํานี่ไม่ได้นะอย่าว่าแต่แถวจะล่านั้นะตายประโซกก็ไม่ได้นะมันเป็นการไม่เคารพธรรมชาติผู้เฒ่าผู้แก่ก็สอนนะแม้กระทั่งว่าเนี่ยเล่นน้ำนี่อยา่าเอาเท้าเตะน้ำํำนะมันเป็นการไม่เคารพธรรมชาติไม่เคารพลำห้วยลําทานหรือไม่เคารพเทพนะที่อาศัยอยู่ในลําห้วยลาทาน แค่เอาเท้าเตะน้ำนี่ไม่ได้นะหรือว่าเอาเท้าเตะน้ำเพื่อให้น้ำนี่มันไปทําความเย็นให้กับวัวกับควายเนี่ยนะเลี้ยงควายแล้วเนี่ยมันร้อนนะก็ใช้มือเนี่ยน ะ, ะปุยน้ำนะตากน้ำให้กับควายอยันนี้ได้แต่ใช้เท้าเตะน้ำไม่สุภาพมันเป็นการไม่เคารพธรรมชาติเพสมัยก่อนนี่ เขานับถือธรรมชาติขนาดนี้หรือเคารพธรรมชาติอย่างมากอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องพุทธศาสนาส่วนก็เป็นเรื่องความเชื่อท้องถิ่นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ความเชื่อแบบนี้มันเลือนหายไปแล้วโดยเพพาะในหมู่ชาวพุทธนะเราก็เลยสนใจแต่การทำบุญตามประเพณีกับพระกับวัดแต่ว่าเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลธรรมชาตินี่มองข้ามไป ในความคิดแบบนี้มั น, มนล้าสมัยเลยนะต้องกลับมากลับมาใส่ใจธรรมชาติกลับม า, อ, าอนาทอร์นร้อนใจนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติหรืเกิดขึ้นกับโลกซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ย้อนกลับมาส่งผลร้ายต่อมนุษย์เราเองต่อลูกหลานของเราดังนั้นถ้าเราห่วงใยลูกหลานของเราห่วงใยเพื่อนมนุษย์เนีก็ต้องห่วงใยธรรมชาติเด้อ